อานามสยามยกภาคที่สองว่าด้วยกองทัพกรุงสยามยกพระโนพลนิกายเป็นมหายุติโยธาทัพใหญ่ไปกระทำศึกสงครามกับนักโกงจันรพระเจ้ากรุงกมภูชาธิพบดีเขมรไม่ต่อสู้ไทยนักโกงจันร์หนีไปพึ่งยวนกองทัพยวนยกมารบกับไทยไทยได้รบกับยวน และยวนได้กระทำมหายุทธนาการเป็นศึกสงครามกันมาช้านามประมาณถึงส4สปีเศษมีข้อความทิ่แสดงวิจารณนในการศึกไัยยวนดังจะได้แสดงต่อไปนี้อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งประหารแม่พัะที่ขี้ขลาด ครั้งนั้นเจ้าพรยาบดินเดชาจัดให้พระยานรงริตโตสาปลัดจางวางแขกจามวังหน้าคุมพลทหารแขกจามสามร้อยลงเรือรบมีชื่อแล้วจัดให้พระยาวิเศษสงครามรามพักดีฝรั่งเศสคุมพลทหารฝรั่งเข้ารีดห้าร้อย 500, ลงเรือรบมีชื่อทั้งสองกองเป็นคนแปดร้อยยกไปตัดไม้ทำเขื่อนทำนบปิดปากคลององ์เจืองไว้ มิให้ยวนนำเรือรบเล็กๆลัดตัดมาในคลององค์เกียงออกแม่น้ําใหญ่มาตีตัดหลังท้ายพลกองทัพเรือไทยไม่ได้แล้วพระยาวิเศษสงครามนําเรือรบไทยตั้งรักษาปากคลององเกียงไว้ให้มั่นคงอย่าให้ยวนมาหรือถอนทำนบที่ปิดไว้นั้นได้เลยเป็นอันขาดครั้งนั้นให้บาทหลวงฝรั่งเศสชื่อเปโรที่ไปในกองทัพพระยาวิเศษสงครามนั้น ให้บาตรหลวงเปโรไปเกลีย้ยกล่อมพวกยวนเข้ารีดฝรั่งเศสซึ่งตั้งบ้านเรือนอยู่ในแนวคลององค์เจียงนั้นพวกยวนเข้ารีดยอมสมัครเข้าในการเกลีย้ยกล่อมมากับบาดหลวงเปโรด้วยประมาณสามร้อยเศษแต่ที่ชายชกันและครอบครัวต่างหากมากประมาณสี่ร้อยเศษบาดหลวงเปโโรและพยาวิเศษสงครามตั้งการเกลีย้ยกล่อมและรักษาปากคลองอยู่ที่นั่นช้านาน แล้วเจ้าพระยาบดินเดชาสั่งให้พระยาพิทักษ์ถวยหารผู้ว่าราชการเมืองปทุมธานีขุมกองทัพ ร, รามันสี่ร้อยลงเรือรบมีชื่อยกล่วงหน้าไปก่อนถ้าเห็นไอยวนตั้งรับอยู่ที่ตามเกาะกลางน้ำเหล่านั้นควรจะตีแตกได้ก็ให้ตีเสียโดยเร็วถ้าเห็นไอยวนมีกำลังมากแล้วควรจะต่อรบสู้อยู่กว่ากองทัพเรือฝ่ายหน้า เจ้าพระยาพลเทพจะลงไปถึงก็จะได้ช่วยกันระดมตีต่อไปถ้าเห็นว่าไอ้ยวนไม่ได้มาตั้งรับตามเกาะเหล่านั้นก็ให้พระยาพิทักษ์ถวยหานนำเรือรามันยกเข้าไปนำไฟจุดเผาบ้านเรือนเล็กน้อยตามเกาะเสียให้หมดอย่าให้เป็นที่กำบังซุ่มซ่อนของกองทัพยวนได้แล้วให้พระยาพิทักษ์ถวยหานยกกองทัพเรือเข้าไปปิดทางคลองลัดตรงเกาะใหญ่ไว้ อย่าให้ยวนยกลัดมาออกแม่น้ำใหญ่ได้สั่งให้พระยาดำรงราชพลขันผู้ว่าราชการเมืองนครเขื่อนขันคุมทัพเรือกองรามันสามรอยยกไปเข้าสมทบในกองพระยาพิทักษ์ถวยหานด้วยจะได้ช่วยกันทําการแบ่งหน้าที่ตัดต้นไม้บ้างปิดคลองเล็กน้อยบ้างครั้งนั้นพระยาพิทักษ์ถวยหารและพระยาดำรงราชพลขันสองกอง คุมพลรามันเจ็ดร้อยยกลงไปตามลำน้ำใหญ่ถึงเกาะไหนได้ทำตามคำสั่งทุกเกาะมิได้เห็นยวนมาตั้งค่ายรับอยู่ตามเกาะต่างๆพอถึงเกาะใหญ่มีคลองเล็กๆผ่านมากลางเกาะเกาะนั้นเนื่องอยู่ใกล้ฝั่งตะวันตกคลองนั้นคดโค้งไปมาวกเวียนหลายเลี้ยวจึงจะออกแม่น้ำใหญ่ทับเรือพญาพิทักษ์ถวยหานตัดต้นไม้บนเกาะแล้วก็ยกเลยไปขณะนั้น ยวนนำเรือเล็กๆต่างเรือชล้าหลายสิบลาเป็นเรือมากยาวมากจุคนได้ห้าสิบบ้างเจ็ดบบ้างมีเครื่องศาสตราวุธพร้อมมาซุ่มอยู่ในคลองเล็กที่ฝั่งในเกาะนาคแต่พอทัพเรือพระยาพิทักษ์ทวยหารเดินไปผลเกาะนาคนั้นแล้วพวกยวนเรือเล็กก็ออกมายิงบ้างไล่พุ่งเหลาเกลเดนบ้างตามตีท้ายผลกองทัพเรือที่ประมาท ไม่ได้บรรจุปืนไว้พร้อมจึงถูกกระสุนปืนยวนตกลงน้ำตายบ้างตายอยู่บนเรือบ้างมากกว่า30คนพระยาพิทักษ์ช่วยหารตกใจสำคัญว่ากองเรือยวนยกมาด้วยเรือใหญ่สั่งให้สมิงพิทักษโยธาลงเรือเล็กไปบอกกองสมิงพระปราบอังวะพระชนะพุกามกองรามันฝ่ายพระราชวังบวรซึ่งเป็นกองหน้า ให้หยุดเรือเข้าจอดที่ฝั่งตั้งต่อสู้กับยวนเพราะขณะนั้นเป็นเวลาจวนจะพบค่าเห็นเรือยวนไม่ถนัดว่าใหญ่หรือเล็กยวนเห็นเรือพวกกองรามันแจวรีบเข้าฝั่งทุกลำยวนสำคัญว่าพวกรามันหนียวนได้ทีก็แจวพายไล่ติดตามเข้าไปใกล้ฝั่งด้วยขณะนั้นกองรามันเห็นเรือยวนถนัดว่าเป็นเรือเล็กดังเรือชล่าดังนั้นแล้ว รามันก็กลับหน้าเรือรบใหญ่มาต่อสู้โดยเต็มกำลังบ้างนำปืนหน้าเรือยิงออกไปกระสุนไปถูกยยนล้มตายมากเหลือโยนก็หนีเข้าในคลองเล็กในเกาะเสียสิ้นขณะนั้นผอกองทัพเรือพระยาดำรงราชพนันขันยกสวนขึ้นมาทันที่เกาะนาคก็ช่วยกันปิดปากคลองเสียทั้งสองด้านเรือยยนเล็กๆนั้นติดอยู่ในลาคลองภายในเกาะนาคทั้งสิ้น จะออกไปไม่ได้ทั้งสองทางพวกรามันยกขึ้นบนเกาะเป็นที่แจ้งเตือนแล้วเพราะได้ตัดต้นไม้เสียหมดเห็นตัวไอ ย, ยวนซุ่มแอบอยู่ที่ใดเห็นถนัดทุกแห่งทุกคนกองรามันก็ไล่ ย, ยิงแทงฟันพวกยวนตายครั้งนั้นร้อยเศษที่จับเป็นได้ก็มากส่งมาให้เจ้าพระยาบดินเดชาถังเรือเล็กๆสี่สิบหกลำคนด้วยหนึ่งร้อยห้าสิบหกคนเพราะฉะนั้น จึงได้เรือเพิ่มเติมใช้สอยราชการทางน้ำคล่องแคล่วมากเจ้าพระยาบรินเดชาให้ล่ามถามยวนได้เนื้อความแล้วสั่งให้หลวงขเชนทามาศนำยวนห้าสิบหกคนที่กองรามันจับส่งมานั้นไปฆ่าห้าสิบหกคนเหลือไว้ร้อยคนแล้วเจ้าพระยาบรินเดชาสั่งให้นำตัวพระปรับกับหลวงยกระบัดเมืองสระบุรีสองนายกับหัวหมื่นในกรมพระตารวจนอก สายหนึ่งนายซึ่งเป็นเชื้อสายญาติของเจ้าพระยาบดินเดชาด้วยคนหนึ่งรวมเป็นสามคนแล้วถามว่าเมื่อกําลังรบกับยวนที่ค่ายปากคลองวามนาวนั้นหัวหมื่นตํารวจนังลงเรือช่วงไปแอบเอาหางเสืออยู่ท้ายเรือรบใหญ่เจ้าพระยาบดินเดชาท่านเห็นดังนั้นแล้วจริงหรือไม่หัวหมื่นตํารวจผู้นั้นรับว่าจริง จึงมีรับสั่งให้พาตัวไปฆ่าเสียเดี๋ยวนี้แล้วถามว่าพระปลัดหลวงยกกระบะเมืองสระบุรีนั้นให้เป็นนายทัพบกยกขึ้นไปตั้งค่ายประเช็ดล้อมยวนยวนยิงปืนออกมามากก็ทิ้งค่ายให้แต่เบาไพร่ยอยู่รักษาค่ายตัวนายทั้งสองนั้นหนีออกนอกค่ายไปแอบเสาหลังค่ายอยู่ทําไมไม่ใช่การของนายทัพจะออกจากค่ายไปได้เลยจริงหรือไม่จริงให้ว่ามา พระปรลัดยกกบัตรรับสารภาพว่าผิดจริงเพราะไปแอบบังกระสนปืนยวนแต่ขอรับพระราชทานโทษเสียสักครั้งหนึ่งจะได้ทำราชการฉลองพระเดชพระคุณแก้ตัวต่อไปภายหน้าเจ้าพระยาบดินเดชาจึงตอบว่าเจ้าทั้งสองจะอยู่ทำราชการแก้ตัวหรือจะอยู่ทำราชการให้เป็นตัวอย่างความขลาด ต่อไปกับนายทัพนายกองหาควรไหม่ยาอยู่เลยหนักแผ่นดินพูดเท่านั้นแล้วก็สั่งให้พระรามพิชัยพาตัวพระปรลัดกับหลวงยกระบัดไปฆ่าเสียเดียวนั้นแล้วเรียกลัดปะคตหนามขนุนอย่างดีสองสายมีแหวนนปกเก้าวงใหญ่สวมสอดรัดปคตสายละวงมอบส่งให้สมิงพิทักษ์ราชากับหลวงนาราฤทธราวี ซึ่งคุมพวกยวนกับเรือเล็กของยวนมาส่งนั้นให้กลับนารัฐประคชนี้ไปให้พระยาพิทักษ์ชวยหารสายหนึ่งให้พระยาดารงราชพลขันสายหนึ่งแล้วสั่งให้พระยารามันทั้งสองยกไปตั้งปิดช่องทางที่ยวนจะลัดมาได้ให้ปิดให้หยุดถ้าไม่หยุดให้รีบบอกมาจะได้จัดให้กองอาสาจามวังหน้ายกไปช่วยอีกครั้งนั้นกรมแขกอาสาจาม ในพระราชวังบวรสมทบมาเข้าในกองทัพเจ้าพระยาพระคลังทั้งสิน้นเจ้าพระยาพระคลังสั่งให้หลวงริอรณเรงหลวงกำแหงรณยุทธในกรมอาสาจามที่ตั้งขึ้นใหม่ในแผ่นดินนั้นให้เป็นแม่ทัพเรือคุมพลอาสาจามกองละหนึ่งร้อยห้าสิบคนยกไปปิดคลองจอแคที่ปลายคลองจอแคมาออกใต้ปากคลองแสดกเป็นทางลัดได้อีกแห่งหนึ่ง แต่ที่นั่นเป็นคลองเล็กที่สุดฝ่ายเจ้าพระยาบรินเดชาจัดกองทัพเรือให้ไปจุกช่องปิดทางแล้วก็จัดกองทัพที่จะยกลงไปตีข้ายวนที่ตั้งอยู่ปากคลองวามนาวที่แยกไปเมืองเสเดกนั้นให้เจ้าพระยาพลเทพเป็นแม่ทัพหน้ายกลงไปก่อนแล้วให้พระยาเดโชทายน้ายกลงไปเป็นลำดับและพระยานายทัพนายกองทั้งหลายแต่ล้วนทัพเรือทั้งสิน้น ก็ยกลงไปเป็นพวกๆเป็นกองๆพระยาเดโชท้ายน้ายกลงไปถึงที่ตำบลวัวท่าข้ามใกล้กันกับค่ายยวนที่ปาาคลองวามนาวและสแสดกพบเรือยวนเล็กแกวมาแปดคนมีนายนั่งมาสองคนพบกันที่หัวแหลมแต่พอเรือรบไทยเลี้ยวแหลมก็พอถึงเรือแปดแกวยวนยวนจะหนีก็ไม่ทันจะสู้ก็ไม่ได้ด้วยเป็นเรือเล็กคนก็น้อย ยวนจึงพายเรือแวะเข้าตลิ่งจะทิ้งเรือเสือจะหนีขึ้นบกแต่เมื่อจะแวะเข้าตลิ่งนั้นไอ้พวกข้างศรีรษะเรือสี่คนโดดขึ้นก่อนเต็มแรงก็ถีบเรือออกมาถึงสายน้ําน้ําก็ไหลพัดพาเรือและคนในเรือเบาสี่นายสองมาด้วยไอ้ยวนหกคนก็ช่วยกันแจวจะเข้าฝั่งอีกพอเรือพระยาเดโชถ้ายน้ํามาทันก็แจวเข้าจับไอ้ยวนไถ่สี่คนนายสองคน จำรวนส่งมาให้เจ้าพระยาบดินเดชาเจ้าพระยาบดินเดชาให้ล่ามพนักงานไต่ถามและตัดไม้เคี้ยนถามได้ความว่าเจ้าเวียดนามใช้ให้องเตียนกุลขุนนางผู้ใหญ่ในกรุงเวเป็นแม่ทัพใหญ่ขุมไพรผลสองหมื่น 20, ยกมาตีเมืองไส้ง่อนเป็นกบฏนั้นยังกำลังล้อมเมืองไส้ง่อนอยู่ครั้นรู้ว่ากองทัพไทยยกมาแล้วองเตียนกุลแม่ทัพใหญ่จึงให องค์ทำตาหนึ่งองจันเบียหนึ่งเป็นแม่ทัพแบ่งไพรพลในกองทัพใหญ่ออกให้สามพันคนให้ยกมาประทะทัพไทยไว้ก่อนแล้วองค์เตียนกุลแม่ทัพใหญ่มีหนังสือไปเกณฑ์ไพร่พลตามหัวเมืองใหญ่น้อยอีกจะเกณฑ์ไพร่พลให้ได้ถึงหมื่นเศษแล้วเมื่อใดจึงจะให้องค์กวางดกกับองค์พอโดยเป็นแม่ทัพใหญ่ยกลงมาเพิ่มเติมรับกองทัพไทยอีกเดี๋ยวนี้กองทัพใหญ่หมื่นเศษ ได้ยกลงมาแล้วตามทางยังเดินทับมาไม่ถึงและบัตรนี้องค์เตียนกุลแบ่งกองทัพเรือ400ลำให้องค์ลำบินเป็นแม่ทัพเรือยกมาตั้งอยู่ช้านานแล้วแต่จะมีไพร่พลมากน้อยเท่าไรหาทราบไม่แล้วโยวนบอกว่าทัพช้างกรุงเวก็จะยกเพิ่มเติมมาอีกมีผู้คนราวสัก 40,000-50,000 ช้างนั้น 400-500 หมาสักพัน 2,000 จะมาในเดือนสี่หรือเดือนห้าเต็มช้าก็เดือนห้าข้างแรมคงถึงเป็นแน่แต่ทัพเหล่านั้นจะมาตีทัพไทยหรือจะไปตีทัพกบฏใส้งอนก็ยังไม่ทราบแน่ได้เมื่อเจ้าพระยาบรินเดชาได้ทราบจิตการข่าวศึกดังนั้นจึงปรึกษาเจ้าพระยาพระทังว่าไอหยวนให้การหนีจริงบ้างเทดบ้างระคนปนกันเพราะมันยกพวกมันขู่พวกเราบ้าง ถึงเช่นนั้นก็ไม่ไว้ใจแก่ราชการจะมีมามากน้อยหนักและเบาอย่างไรข้างหน้าก็ยังไม่รู้แน่ลงได้จำจะต้องตรเตรียมการไว้ให้พร้อมทั้งทางบกและทางเรือจึงจะชอบด้วยราชการคิดแล้วสั่งให้หลวงเทเพนขึ้นจากเรือที่ปากคลองวามนาวนอกแล้วให้ขึ้นมารีบไปเร่งกองช้างพระยากัมเพงและพระยาเพชราชา ที่คุมกองช้างในกรุงมานั้นให้รีบเร่งยกมาให้ทันราชการช่วยทับเรือด้วยแล้วสั่งให้กรมหลวงกินดารักกับหลวงทนกรมการเมืองสระ บ, บรุรีลงเรือไปกับหลวงเทเพนแล้วให้ขึ้นจากเรือไปด้วยมา้าให้แยกย้ายกันไปตามกองช้างพระยาประสิทธิ์ขชกรรมจางวางกรมช้างเมืองนครราชสีมาให้เร่งไปตามพระยานครราชสีมาโดยเร็วด้วยช้าง เป็นกำลังแก่กองทัพ บ, บกมากแล้วสั่งให้หลวงศรีเสนาลงเรือเร็วไปเมืองพนมเปนขอกองทัพช้างที่นักองค์อิ่มนักองค์ร่วงอยู่นั้นให้เขมีนคุมช้างมาตามจะได้มากน้อยเท่าใดไม่กําหนดให้หลวงศรีเสนาคุมกองช้างเขมีนมาด้วยพร้อมกันให้ถึงเมืองบันทายมาสและเมืองโจดกในเดือนสามข้างแรมนี้ให้จงได้แต่ให้พระยาเพชรปานีไปด้วย จะได้ช่วยคุมกองช้างขมินมาพร้อมกันด้วยไม่ไว้ใจแก่ขมินกลัวจะแปรไปปลวนมาแล้วเจ้าพระยาบรินเดชาและเจ้าพระยาพระคังก็ไล่ทัพเรือใหญ่น้อยให้ยกลงไปตั้งใกล้ประชิดไข่ห ย, ยวนที่ปากคลองแสดกตั้งรออยู่ดูกำลังข่าศึกยังไม่ได้รบกันครั้นณะวันเดือนสามขึ้นสิบห้าคำกลางเดือนเวลากลางคืนเดือนหงาย สว่างดึกประมาณแปดทุ่มเศษยวนก็ปล่อยแพรไม้ไผ่มีเชื้อไฟติดอยู่บนหลังแพไฟไม่แพไม้ไผ่ปล่อยแพรไฟลอยลงมาเป็นอันมากจะนับประมาณไม่ได้ยวนปล่อยแพรไฟให้ลอยลงมาปราถนาจะให้แพไฟมาติดเรือรบไทยไฟก็จะได้ไม่เรือรบไทยที่ทอดสมออยู่นั้นถึงจะถอนสมอหนีก็คงไม่ทันแต่ว่าแพรไฟที่ยวนปล่อยลงมา ไม่ได้ถูกเรือรบไทยเรือรบไทยไม่ได้ไม่เป็นอันตรายเลยแต่สักลำหนึ่งแสงไฟแดงสว่างไปทั้งแม่น้ำจนรุ่งเชา้าไอ้ยวนปล่อยแพรไฟมาไม่ๆเรือรบไทยเลยนั้นเพราะว่าไอยวนทำการแพร่ไฟไม่ถูกต้องตามธรรมเนียมศึกจะไม่ที่ไหนได้เล่ายวนผูกแพรไฟให้ติดกันทุกแพแล้วก็ปล่อยให้ลอยลงมาเหมือนอย่างเช่นลอยกระทงเล่น แพไฟก็ลอยลงมาเป็นทิวไปตามกระแสายน้ำที่ไหลเชี่ยวไปตามเกลียวสายน้ำไม่ได้ถูกเรือรบไทยเลยสักลำเดียวเพราะเรือรบไทยรู้จักการพิชัยสงครามว่าถ้าจอดเรือรบหรือทอดสมอเรือรบนั้นห้ามไม่ให้จอดและทอดสมอที่กระแสายน้ำที่เชี่ยวเลยเป็นอันขาดเพราะกลัวจะถูกแพ่ไฟของข้าศึกที่จะลอยตามน้ามาไม่เสียไฟยวน ปล่อยแพรไฟมาครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งกองทัพพระมหิดพราธิราชเจ้าแผ่นดินกรุงเก่ายกทัพขึ้นไปจอดเรืออยู่ที่แม่น้ำใหญ่คุงวัดจุฬามณีเหนือปากน้ำผิงครั้งนั้นสมเด็จพระมหาธรรมราชาพระมหาอุปราชอยู่ณเมืองพิษณโุโลกปล่อยแพรไฟลงมาเป็นตอนๆเป็นแพรระยะกันตามน้ำไหลบ้างตามลินตลิงบ้างเต็มทั้งแม่น้าแพไฟครั้งนั้น ไม่เรียรบสมเด็จพระมินทาธิราชเจ้าแผ่นดินกรุงเก่าเสียยับเยินแทบจะทั้งหมดอย่างนั้นจึงจะเรียกว่าทำถูกอย่างยวนนี้เรียกว่าทำไม่ถูกจึงไม่ได้ไม่เรียรบไทยเลยครั้นณวันเดือนสามแรมสี่ค่ำเจ้าพระยาบนินเดชาปรึกษากับเจ้าพระยาพระขังว่าเดี๋ยวนี้ยวนยกทัพใหญ่มาตั้งค่ายบกอยู่ที่ค่ายเก่า ณสามแยกปลาคลองแสดกเป็นค่ายมั่นแห่งหนึ่งแล้วยวนนำทัพเรือรบใหญ่ๆมาทอดทุ่นขวางแม่น้ำวามนาวไว้เต็มทั้งสองฝากแม่น้ำเหนือความข้อนี้เจ้าพระยาพลเทพแม่ทัพหน้ามีใบบอกข่าวศึกมาว่าได้ใช้ให้พระพิพิษสาลีกับหลวงโพชนารักษ์ลงเรือเล็กไปสืบราชการศึกยวนได้ข้อความมาว่าดังนี้ เจ้าคุณพระคังจะว่าประการใดเจ้าพระยาพระคังตอบว่าซึ่งเจ้าพระยาพลเทพบอกมาก็เป็นแต่ใจความตามที่พูดไปสืบมานั้นหาเป็นการละเอียดถ้วนทีไม่ควรจะให้หาพระยาพิพิษสาลีหรือหลวงพชนารักมาไต่ถามเจติการที่ยวนตั้งไขยบกและไข่เรือเป็นอุบายแยบข่ายอย่างไรบ้าง เราจะได้จัดการลงไปตีให้ถูกต้องกับที่ยวนตั้ง่ายรับเหล่านั้นให้ทันท่วงทีที่จะได้ชัยชนะโดยง่ายเจ้าพระยาบดินเดชาจึงสั่งให้ขุนท่องนาทีวังหน้านำเรือเร็วรีบลงไปรับพระพิพิธษาลีกับหลวงพชนารักษ์มาโดยเร็วครั้งนั้นพระพิพิธษาลีป่วยเป็นไข้พิษมาไม่ได้ได้แต่หลวงพชนารักษ์มาให้การว่า ได้ลงไปตรวจดูค่ายยวนบนบกเห็นเป็นค่ายเก่าหมายจริงทำมั่นคงแข็งแรงมีทั้งป้อมหอรบครบบริบูรณ์แต่ว่าแลดูแต่ไกลไม่ได้เข้าใกล้จึงไม่ได้เห็นอาการท่ายท่่นถีหมดจดแต่เรือค่ายที่ทอดสมอขวางอยู่กลางแม่น้าได้เห็นถนัดยวนนำเรือรบป้อมใหญ่มาทอดสมอข่างกันประมาณ 14-15 วาเต็มทั้งลำแม่น้า ในระหว่างเรือป้อมมีเรือรบเล็กประมาณยี่สิบลำแจวมาทอดสมออยู่ในระหว่างกลางเรือป้อมเป็นระยะกันไปเรือป้อมและเรือรบทั้งสิ้นนั้นเห็นมีปืนใหญ่และทหารประจำอยู่มากทุกลำฝ่ายในชั้นหลังเรือป้อมนั้นมีเรือรบต่างๆทอดสมอเป็นฟันปลาอยู่ในแถวอีกสี่แถวประมาณเรือรบยวนทั้งใหญ่ทั้งเล็กราวสักสองร้อยลำเศษที่ทอดสมอยอยู่นั้น และเรือรบที่จอดอยู่ตามฝั่งหน้าค่ายและจอดเรียงรายนั้นประมาณสักร้อยลำเศษแล้วหลวงพุทชนารักษ์แจ้งความต่อไปอีกว่าในวันที่ได้ลงไปสืบราชการทัพยวนนั้นได้ใช้ให้หมื่นศรีสมบัติกับหมื่นอินพรานุรักษ์และนายช่วงนายทักษนายมานายขุนเนนรวมหกคนนั้นนำกล้องแก้วอย่างใหญ่ชักได้สามชั้น ที่เจ้าพระยาพนเทพให้ไปนั้นคนทั้งหกได้เดินบกขึ้นที่ป่ากระนามใกล้ค่ายยวนแล้วจึงได้ขึ้นต้นไม้ใหญ่สูงนํากล้องแก้วใหญ่ส่องไปดูเห็นว่ายวนกําลังปักเสาตั้งค่ายปีกาต่อเนื่องค่ายเก่าออกมาข้างหน้าค่ายหลายค่ายที่หลังค่ายเก่านั้นมีคลองเล็กมาแต่แผ่นดินฝั่งข้างเหนือเห็นยวนทําสะพานเรียกข้ามคลองเล็กนั้นด้วยและเห็นยวนกําลังขุดมูลดินอยู่ และถมขึ้นเป็นปองสูงจะพูนสูงขึ้นเป็นป้อมหรือเชิงเทินอย่างไรหาทราบไม่ดูอยู่พอเวลาเย็นก็กลับมาลงเรือได้ความดังนี้แล้วบัดนี้ก็พาตัวคนทั้งหกมาด้วยฝ่ายเจ้าพระยาทั้งสองถามปากคําคนทั้งหกให้การถูกต้องกับหลวงพจนารักษ์ทุกประการเจ้าพระยาบดินเดชาจึงมีบัญชาว่า ยวนเข้าอาศัยค่ายเก่าแล้วยังไม่ไว้ใจแก่ไทยจึงได้ทําค่ายปีกาเพิ่มเติมขึ้นหน้าค่ายเก่าอีกนั้นก็เพราะค่ายเก่าจะไม่แน่นหนาแข็งแรงเราเห็นว่าขวรเราจะยกทัพใหญ่เป็นทัพบกบ้างเร่งไปตีค่ายบกเต่าใหม่ของยวนเสียโดยเร็วอย่าให้หยวนทางตั้งมั่นรับเราถนัดได้แต่จะต้องแต่งทัพเรือลงไปตีค่ายเรือป้อมยวนเสียด้วยยกไปทั้งทัพ บ, บก และทัพเรือให้พร้อมกันทีเดียวยวนจะได้ภะวะผวังทั้งบกและเรือยวนจึงจะไม่มาช่วยกันได้กําลังยวนก็จะอ่อนลงมากเราคิดตียวนให้พร้อมกันทั้งทัพ บ, บกทัพเรือนั้นเพื่อจะแยกย้ายกําลังยวนไม่ให้ประชุมพร้อมกันได้เจ้าพระยาบดินเดชาจึงพูดว่าคราวนี้ทัพเรือเป็นหน้าที่ของเจ้าคุณพระคังแน่แล้วทัพ บ, บก เป็นหน้าที่ของผมเองเป็นแน่ต่างคนต่างมีหน้าที่เต็มการจะช่วยกันไม่ได้แล้วให้เจ้าคุณเร่งถกขมิน้นจงกระเบนให้แข็งแรงเถิดครั้นปรึกษากันแล้วเจ้าพระยาบดินเดชาจึงสั่งให้หนายทัพ บ, บกที่มากับเรือเล็กให้ขึ้นบกจัดการตระเตรียมเป็นทัพ บ, บกพร้อมเสร็จขณะนั้นพอกองทัพช้างขมิ้นที่พระยาเพชรปาณีคุมมาถึงจึงให้ พระยาจ่าแสนบรีสีบริบาลขุมทัพช้างยกไปช่วยด้วยกองหนึ่งแล้วให้พระยาเกียรติพระยารามขุมกองทัพรามันหกร้อยคนเป็นกองหน้าให้พระยาสุนทรสงครามผู้ว่าราชการเมืองสุพรรณบุรีกำกับทัพปรามันให้พระยาพระหลวงนายทัพนายกองบกทั้งหลายเตรียมการไว้พร้อมเสร็จแล้วฝ่ายทัพเรือนั้นเจ้าพระยาพระคังจัดให้ เจ้าพระยาพลเทพเป็นแม่ทัพหน้าให้พระยาราชวังสันเป็นทัพนำหน้าเจ้าพระยาพลเทพให้พระยาอภัยโนลิ์พระยาเพชรบุรีพระยาราชบุรีพระยาระยองพระยาตราดพระยานครชัยศรีพระยาสมุทรสงครามทั้งนี้เป็นปีกซ้ายปีกขวาของทัพหน้าให้พระยาเดโชทายน้ำเป็นนายกองหนุนทัพหน้ามีลูกกองอีกคือพระยาเทพวรชุน พระยาพิพิธโกษาพระยานรณนทรฤทธิโกษาเขกจามฝ่ายพระราชวังบวรพระอนุรักษโยธาพระโยธาสงครามพระวิสุทธวารีพระพิรมพักดีพระกัลยาพักดีหลวงท่องสาครหลวงสุนทรวารีหลวงทิพย์ธาราหลวงสุนทรพิทักษ์พระสุนทรพักดีหลวงลักมานาหลวงมหาพิชัยหลวงรุดลิศนลง ขุนท่องสื่อล่ามยวนหมายเหตุที่ออกชื่อมานี้แต่ล้วนมีหน้าที่ประจําการในเรือรบทุกคนอย่างพระยาพระหลวงขุนหมืน่นนายทัพนายกองผู้ช่วยและสมทบในกองทัพเรือและทัพ บ, บกยังมีมากกว่าที่ออกชื่อมานี้เหลือที่จะออกชื่อให้ทั่วได้จะเป็นการยืดยาวไปเพราะยังไม่ต้องการชื่อท่านเหล่านั้นมีแจ้งอยู่ในตาตารางเกณฑ์แล้ว อานามสยามยุทธภาคที่สองตอนที่สี่เจ้าพระยาบดินเดชาสั่งประหารแม่ทัพที่ขี้ขลาดกำลังเข้มข้นไปทุกขณะโปรดติดตามตอนต่อไป